ท่านผู้เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตจจมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นักศึกษาธรรมทั้งหลายความจริงการฟังธรรม ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกทุกท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิ ในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสาน บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาตจจมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิด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 ไม่ขอนำมากล่าวได <c oughs> ้จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านเึีงท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกรรมาฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คําว่าพุโทโธอย่างเดียว ละบริกรรมภาวนาแต่และอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆสักๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้น ทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นก็ <c oughs> <C oughs> เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเดานั้นยอมส่งกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลล่นกายแหละใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้ว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 เรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำซ้ำซักซากก็เพื่อจะให้ติดอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่น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 ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวเราจะใช้คำอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเครือบแพลงสงสัยใดๆ ในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงถือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิชำนานเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนานทำไม่หยุด ถ้าใครสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละสามหรือสี่ครั้งแต่ละครั้งให้ด็กครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึง พอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภากเพียนพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆเราก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาจจะมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ท่านทั้งหลายคงจะได้ศึกษาธรรมะและมีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณนะโอกาสนี้จิงใครที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนชำนิชำนาญมาแล้วอย่างไร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 แล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิมเคลิมลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอนก็ให้พึงรู้เถิดว่า จิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นท่านจะว่าการอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตสงบก็มีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปพอหยุดวูบแล้วจิตจะนิ่ง ในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอเว้ลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่าน ก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีกาอาการวูกนวาบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้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 ในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจ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 หรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉย อ, อยู่อย่าไปทำความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ถ้าเราไปทำความเอะใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าขึ้น สามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอก ในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กาหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทําความเอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอก ถาหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้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 เขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็เป็นนึกแทนส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสําคัญว่า ภาพนิมิต ท, ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบรนดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอๆไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิง ในถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพในมิตของผู้ที่เขาเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปลากรกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพในมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่า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 เราฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสาคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมารดนบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเรา จิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิมเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพในมิตรขึ้นมา ถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถาจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอาสุภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้น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 หรือเอกคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จิงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นตน้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาในท่วงต้นๆ น, นี้จิตอาจจะไม่สามารถ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 มาที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเท่งอยู่ในจุดจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมาฐานมาแล้วก็ตาก็ดี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 ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึก จิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภากรรมาฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้าเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นชิ้นแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนวิจุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่าง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 จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตยอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจรารณาธาตุกรรมฐานก็จะมองเห็นร่างกายนี้ แหลกละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ท้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วแล้วจิตก็จะ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 และส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าหากท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้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 ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานาธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจทุกขังอนัตตาซึ่งเลวกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทําความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ที่นี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละ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 เริ่มต้นแต่อุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปลากุดขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างสิูนภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร วปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นเจตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้ เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิภาควิจาร์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ ร, รู้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้